จะทำซีดีเพื่อเผยแพร่โดย jocho.net j o z h o n e t ติดตามดาวโหลดธรรมะอื่นๆ อ, อีกมากมายได้ฟรีรวมถึงสามารถขอรับซีดีได้ฟรีที่เว็บไซต์ jocho.net สามารถเผยแพร่แจกจ่ายต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานหรือแจกฟรีเท่านั้น สำหรับซีดีที่จัดทำโดยเว็บไซต์ Jocho.net และเสียงอ่านหนังสือโดยโจโฉนั้นปัจจุบันได้มีบางท่านนำมาวางขายทั้งนี้ผมต้องขอทีแจงไว้ณที่นี้นะครับว่านโยบายของเราไม่เคยขายไม่เคยจำหน่ายเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ไปพบเจอใครจำหน่ายอยู่ขอให้รับรู้ไว้ว่านั้นไม่ใช่การดาเนินงานของเว็บไซต์ j o โฉดนะครับ